ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องรู้ตัวรู้ตื่นรู้เบิกบานโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่23มิถุนายน2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ เอาเก็บบุญเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่านในหนังสือวิสาสานะที่ที่เป็นประวัติของสัมนาสิกขามาสมณรอะไรต่างๆของชาวโศกไปอ่านแล้วเนี่ยเจอความคิดเห็นของนักบวชเนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าเนี่ยพวกพวกคนวัดบ้างหรือว่าพวกญาติธรรมบ้างเนี่ยบอกว่าแสดงความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าไปอ่านแล้ว่ส่วนใหญ่รู้สึกว่า มักจะบอกว่าชอบยืดออชอบติดยืดอาจะยืดเอน็นยืดเอ็ดีแล้วก็เลยทําให้อะไรอ่ะว่าไม่ได้บ้างเรือนไม่ได้บ้างหรืออัตามาณะมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็มีวันนั้นพอดีอัตามาไปประชุมคนวัดฝ่ายหญิงก็มีคนเขาพูดขึ้นมา อตาตมาก็เลยบอกอ้าวใครมีหนังสืออ่ะไหนเอามาเปิดอ่านที่อตาตมาเขียนบ้านบ้านยังไงอตาตมาก็จําไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเขาให้มาเขียนนี่อุย้ยตั้งนานแล้วนะอตาตมาว่าหลายเดือนจนไม่รู้เป็นปีเผาไม่รู้จำไม่ได้แล้วว่าเขียนอะไรไปมั่งเสร็จเขาก็เลยมาเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนะว่าอตาตมาเนี่ยไปว่าพวกคนวัดไปว่าอย่างไงก็ยังจําไม่ได้เลยแต่คร่าว ก็พูดบทํานองที่เรียกว่ า, าคนวัดเนี่ยยังไม่ค่อยเข่งคลัดนะแล้วก็อะไรไม่ค่อยขวนขวายเนี่ยในการที่จะประพฤติปฏิบัติทํานองอย่างนี้แหละแล้วก็แก่วัดก็เลยก็เลยคราวนี้ก็เลย เขาก็ถามว่าทำไมท่านถึงได้ได้พูดอย่างนี้อ่ะอาตมาก็เลยคานีก็อา้าวก็บอกอา้าวก็พูดตามความรู้สึกอะ่ะก็พูดจริงๆอะ่ะก็รู้สึกอย่างนั้นก็คิดอย่างนั้นก็เขียนไปตามนั้นแล้วเขาก็เลยถามว่าอา้าวแล้วท่านคิดอย่างไง อ, <c oughs> อ้าวอาตมาก็เลยบอกว่าอาจริงจริงในความรู้สึกของอาตมาเองเนี่ยยังรู้สึกว่าเนี่ยนักปฏิบัติธรรมหรือว่าคนที่ มาช่วยเนี่ยกิจการงานอะไรต่างๆของอาโศกแล้วก็ตามหรือเอาลึกๆเลยแม้แต่ผู้ที่มาอยู่วัดเลยน่า ม, มาพักอยู่ในวัดแล้วมาฟังเทศฟังธรรมมาซื้อศีลปฏิบัติธรรมภายในวัดเลยก็ตามแต่ปรากฏว่าธรรมา ย, ยังรู้สึกว่าไอ้ใหม่ๆเนี่ยสปายใหม่อ่ะดีอยู่ นะขยันขวนขวายท ำ, ทำให้นอนทำไม่นี่ทำอะไรต่างๆนานาอันนั้ น, นดีอยู่แต่พอไปได้สักช่วงหนึ่งะนะชักรู้ทางหนีทีไล่ชักถ้าใช้คำหนักหน่อยก็บีก้าขาแข็ง <c oughs> นะหรือสำนวนทั่วไปแล้วก็ใช้คาว่าแก่วัดแก่วัดในที่นี้หมายถึงว่าเราชักธรรมะก็พอจะรู้แหละ อ, อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควร พอจะรู้พอจะเข้าใจดีนใครมาถามใครมาอะไรก็ตอบได้พูดง่ายๆว่าเถียงได้ละตอนนี้เถียงเป็นเริ่มเถียงเป็นบางทีไปติงไปเตือนอะไร ช, ชักชักฉลาดแล้วนะบางทีสามารถที่จะปรับประวาทะสามารถที่จะมีคำพูดมีเหตุผลมีอะไรมาย้อนแย้งอะไรก็ได้โดยที่เรียกว่าชักจะไม่ยอมง่าย หรือว่าไม่ศรัทธานะไม่ศรัทธาเหมือนกับมาตอนแรกๆ แ, แล้วตอนเนี้ยชักจะเอาตัวเองเป็นใหญ่ละตอนมาใหม่ๆนี่นะโอ้โหเขารบนั่นเขาลบนี่ศรัทธานั่นศรัทธานี่อะไรๆก็ขยันยอม <c oughs> นะยอมได้ง่ายอะไรๆก็ยอมยอมยอมแต่พอคราวนี้บอกแล้วพอชักรู้อะไรต่ออะไรคราวนี้ชักไม่ยอมง่ายๆแล้ นะบางทีเอาติงเตือนไปบ้างอะไรไปบ้างเนี่ยมีข้ออ้างอย่างนั้นมีข้ออ้างอย่างงนและแต่เดิมเนี่ยบางทีโดนอะไรอะ่ะโดนติโดนว่าโดนติงเตือนอะไรนี่โอยอมแหมยิ้มรับเลยนะรู้สึกเป็นขุมทรัพย์ได้รับมารู้สึกแหมมีค่าเหลือเกินนะแล้วก็ขอขอขออีกนะขออีกใหม่ๆนขออีกหลังๆแล้วเนี่ยงียบเลย ไม่ขออะไรอีกเลยไลที่ไม่ขอเนี่ยคือคือมันเริ่มไงไปทำตรงนี้ไปทำตรงนี้ไปทาตรงนั้นเริ่มเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเนี่ยหรือเริ่มยึดเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นเจ้าแม่เป็นเจ้าที่เป็นเจ้าอะไรอะ่ะนั่นแหละมันเริ่มโดยที่บางทีบางคนไม่รู้ตัวคือพอมันไปยึดแล้วคราวนี้พอใครไปอะไรนี่นะ ชักไม่ยอมธรรมาถึงบอกว่าเริ่มเริ่มมีความเป็นตัวตนมีอัตตาเนี่ยแหละเริ่มมีอัตตาเนี่ยขึ้นมาลองรับหละเพราะฉนั้นจะไม่ยอมง่ายๆเลยแล้วก็บางทีก็ชอบที่จะเอาว่าเอ้าเนี่ยเราก็ทําให้ส่วนกลางนะเราทันให้ส่วนรวมนะมันก็จะเอาอันพวกเนี่ยมาอ้างหรือเอามาอ้างมาเอานี่ส่วนกลางนี่ส่วนรวม อ้างเพื่อที่อะไรอ้างเพื่อที่จะได้ทําอย่างที่เราอยากจะทําเพราะฉะนั้นอาตมาเนี่ยมักจะพูดบ่อยเลยว่าระวังให้ดีๆนะคือคนที่มาที่อโศกเราเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนน่ยถ้ามาช่วยมาเสียสละการงานอะไรต่างๆทุกคนน่ะทำเพื่อส่วนกลางหรือเพื่อส่วนรวมทั้งนั้นแหะไม่มีใครก็มาทําส่วนตัวหรอกเพราะอาโศกเรา มาตรการหรือว่ามาตรฐานของเราคือทุกคนมาเสีสละเพื่อส่วนรวมใครเนี่ยจะมาเหมือนกับว่าอะไรอ่ะมาช่วยตรงนั้นช่วยตรงนี้แล้วก็เอาผลประโยชน์เอามาเป็นอะไรอ่ะเงินทองหรือว่าเอามาเป็นข้าวของของตัวเองเอามาเป็นสมบัติของตัวเองมันทําไม่ได้เลยอยู่ในอโศงนี่เพราะไม่มีช่องไม่มีช่องเปิดให้เลยแม้แต่รูเล็กๆก็ไม่เปิดให้ เพราะว่านี่ตัดรอบเลยที่เราอยู่กันมาเนี่ยกี่สิปีกันมาช่องนี้ไม่มีให้เปิดเลยมาช่วยแล้วไม่มีเงินเดือนให้คุณช่องไม่มีเลยเห็นไหมปิดประตูหมดเลยมาช่วยงานบัตนะนี่หมายถึงว่าต้องฟรีหมดเลยถือว่าต้องมาเสียสละทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นใครมาทํางานในที่นี้เพื่อส่วนรวมทั้งนั้นแหะ แต่ตอนนี้ปัญหาเมื่อเราไปช่วยอยู่จุดไหนเราไปช่วยอยู่ตำแหน่งไหนบอกแล้วถ้าเราเนี่ยไม่มีความระมัดระวังไม่มีความสํารวมคอยตรวจจิต ด, ดูใจเราแล้วมันเผลอจริงๆพอทําไปแล้วทําไปแล้วทําไปแล้วเนี่ยไอ้อัตราตัวเนี้ยมันเริ่มใหญ่ขึ้นมันเริ่มโตขึ้นเราเริ่มที่จะายึดเป็นเจ้าของเจ้าของโดยไม่รู้ตัวนี่แหละคุณยึด พอคุณยึดเป็นเจ้าข้าเจ้าของนี่คราวนี้ไอ้ที่เราทําไปเนี่ยนะมันไม่เป็นส่วนรวมก็ได้ทั้งทง ท, งที่งานนะี่ยเป็นส่วนรวมนะแต่ที่เราทําไปเนี่ยอารมณ์ของจิตใจความรู้สึกนึกคิดข้ออ้างด้วยแล้วก็อ้างว่าส่วนรวมแต่ที่เราทําไปจริงๆบางทีเราทําตามที่เราชอบ อ, ะอ่ะอแล้วใครขัดหรือว่าใครมาขวางใครมาอะไรอ่าอย่างนี้เราไม่เอานะ เราไม่ชอบนะเราก็จะทําแต่ ท, ที่ที่ถูกใจเราหรือที่เราชอบใจฮะเพฮันตอนเนี้ยมันกลายเป็นเราเลือกงานส่วนรวมนี่แหละแต่ทําอย่างส่วนตัวคือทันทำแบบตามใจเราแต่รู้เท่าทันไหมเท่าทันกิเลนนี้ของตัวเองไหมซึ่งเรื่องนี้พิสูจน์ไม่ยากพิสูจน์ได้บางทีงานที่เราทําอยู่โดนตีบ้างดนว่าบ้าง รับได้ไหมถ้าเป็นงานแบบเราชักจะเป็นเจ้าข้าเจ้าของนะเราชักจะเป็นใหญ่ในงานนั้นนะคนมาติมาว่ามันไม่ค่อยยอมมันไม่ยอมแล้วมันเริ่มจะเถียงมันเริ่มที่จะบางทีหรือบางทีแม้อยากจะทําให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วปรากฏว่าโดนขวางบ้างโดนขาดบ้างไม่ยอมไงต้องดันต้องเอาให้ได้ต้องทําให้ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ ย, ย, ยคืออัตตาของเราแล้ว ทั้งๆ ท, ที่บางทียิ่งหมู่กลุม่มหรือว่าพรรคพวกหรือว่าเพื่อนฝูงจำนวนมากเอ้าเขาไม่เห็นด้วยละเขาไม่เอาด้วยแต่เราก็จะดันทําไปตามที่เราจะทํเออย่างงี้ให้รู้ว่าจริงงานที่เราทํานั่นะได้ชื่อว่าเป็นของส่วนกลางแต่จริงๆเราทําด้วยอาัตามานะของเราด้วยด้วยกิเลสส่วนตัวของเราแล้วไม่ใช่เพื่อส่วนรวมจริง พราะถาคนศึกษาแล้วเขาเข้าใจคําว่าส่วนรวมจริงๆหรือส่วนกลางจริงๆแล้วจะต้องรู้ว่าทิฐิของเราเนี่ยหรือว่าความคิดเห็นหรือว่าหัวไอเรื่องของเราเนี่ยต้องเล็กกว่าความคิดเห็นของส่วนรวมทีถ้าส่วนรวมส่วนใหญ่เขาเอาอย่างนี้เราต้องยอมส่วนรวมไม่ใช่เอาตามใจเราเพราะฉะนั้นถ้าคน เผอไปเนี่ยไม่เข้าใจอาจมาถึงบอกบางทีไม่ต้องพูดถึงเรื่องงานหรอกเอาแค่ที่หลับที่นอนเอาแค่ข้าวของเครื่องใช้อะไรเงี้ยก็บอกว่านี่ของส่วนกลางใช่ไหมแต่ใครนะอย่ามาแตะนะใครอย่ามายืมใครอย่ามาใช้อะไรเลยเชียวต้องต้องชั้นเท่านั้นนะนะที่ใช้ได้คนอื่นเนี่ยอย่ามายุ่งเลยเด็ดขาดต้องชั้นเท่านั้นเอาถ้าอย่างนี้ให้รู้แล้ว อ้าวกระไหนบอกว่าของนี้ส่วนรวมอ่ะคนอื่นก็ต้องมีสิทธิ์ใช้ได้ด้วยสิยถูกไหมถ้าเป็นของส่วนรวมอ่ะถ้าเป็นของส่วนกลางแต่ว่าเราจะระมัดระวังเราจะดูแลรักษาไม่ให้มันเสียหายอะไรอย่างเงี้ยเอา้าเรามีสิทธิ์ถ้าเราหมายถึงว่าเราทําหน้าที่นั้นอยู่นะอา้าวเราก็ดูแลรักษาดูแลอะไรได้นะหรือหาวิธีป้องกันหาวิธีเอา้าไปทําเสียมาวันหลังไม่ให้ยืมนะหรือว่า งดยืมหน้าอะไรเงี้ยอา้าวอันนี้มันมีสิทธิ์อยู่แล้วใครเนี่ยที่เราอ้างว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของส่วนกลางส่วนกลางแต่เรายังหอบหวนเหมือนกับส่วนตัวเลยใครมาหยิบใครมาจับใครมาแตะหรือว่าจะแบ่งปันอะไรกับใครเข้าบ้างนี่ไม่ยอมเลยนี่ให้รู้เถอะว่าตอนเนี้เราเอาภาษาว่าส่วนกลางมาอ้างเท่านั้นแต่กิเลสส่วนตัวเรานี่เบ้งเลยใหญ่เลย มันยึดครองมันเต็มที่เลยอย่างเงี้ยเราเรียกว่าอัตตานะอัตตาตัวตนของเราเนี่ยมันเป็นเจ้าข้าเจ้าของแล้วมันยึดซึ่งจริงๆมันมันเป็นกิเลส ช, ชั้นสูงขึ้นมามันไม่ไม่ได้หยาบยกเว้นว่าใครที่ยังปฏิบัติธรรมมายังไม่ดีควบคุอบมอารมณ์จิตบังคับจิตใจยังไม่ดีพอเจอภัสสะอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะปล่อยห ย, ยาบๆออกมา ใครที่ไม่ค่อยควบคุมฝึกเอาไว้ะนะก็จะปล่อยออกมาเลยเราก็จะเห็นโอ้โ oh, หคนที่ทำไมหยาบอย่างงี้ทำไมแรงอย่างงี้เนี่ยแต่นี้แต่น่อยไม่ได้เลยขนาดตีขนาดว่ายังไม่ได้เลยโอ้ทั้งทั้งที่บอกไปบ่อยเลยว่าอโศกเราเนี่ยโอ้เจริญเติบโตมานี่หน้าได้เพราะโดนตบซ้ายตบขวาทั้งข้างนอกทั้งข้า ง, ง, ง, ง, งในเลยนะอโศกเราเนี่ย คุณดูเสียโหบางทีเนี่ยจากข้างนอกอะ่ะเขาเล่นงานเราตูมตูมตูมโดนมาหนักโศกโดนมาหนักพ่อท่านก็ยังพยายามโอ้โหประคับประคองให้นาวาบุญยมนี่ผ่านมาให้ตลอดรอดปั่งให้ได้อันนั้นคือภายนอกนะภายในครานี้อยู่ในภายในเราภายในเรานี่ก็โอ้แต่ก่อนเนี่ยเราถือเลยว่าการให้ขุมทรัพย์การติ ต, ติงเตือนกันนี่ เป็นสิ่งที่อะไรอะทําให้เราเห็นกิเลสทําให้เรารู้กิเลสแล้วก็ทําให้เราได้เอามาแก้ไขปรับปรุงแล้วแต่ก่อนนี้ติกันหนักแรงกว่านี้อุ้ยเดี๋ยวนี้แตมาว่าเบา ก, บกันเยอะน้อย ก, กันเยอะโว<ฮ>้ถ้าแต่ก่อนนี้ก็พูดกันตรงๆนะผางๆเลยแหละคุณเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไม่ไ ม, ไม่ไม่อ้อมเลยอ่ะเขาตรงๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนี่แรงแต่ก่อนแต่ทนเพราะแต่ก่อนนี้ค่อนข้างมีเจโตกันได้ได้มากคือคือหมายถึงว่าฝึกในด้านเจโตกันมาเนี่ยคือความอดทนอดกลั้นเนี่ยฝึกมาได้มากกว่าส่วนหลังๆมานี่ความเข้มแข็งทางด้านเจโตสมถะหรือทางด้านสายเจโตอ่อนลง ส่วนใหญ่เนี่ยมาในทางปัญญาซะมากเพราะนั้นพอโดนกระทบกระทั่งโดนอะไรแล้วออนแอส่วนใหญ่อ่อนไหวง่ายแปรปวนง่ายถ้าเจโตอยูน่นะโอโหคุณปึบเหมือนกับเสาอะไรอะเสาเหล็กเลยนะปักตอกเสาเข็มลงในดินเลยนะเดี๋ยวว่าคุณจะไปโยกเยกอะไรเขานี่ยาก ตอนสมัยก่อนเนี่ยโดนหนักๆโดนแรงๆก็ยังลุกอึดรุดทนมีได้เยอะแล้วก็ปฏิบัติกันมาอะไรกันมาเรื่อยๆแต่เดี๋ยวนี้บางทีโอ้โดนแตน่นี้แต่หน่อยอะไรนี่เห็นได้ง่ายเลยบางทีก็โกรธออกมาเห็นชัดๆเลยวโอ้โหแหมแค่นี้ก็บฝึกฟัดฝึกฟัดฝึกฟัดบางคนหนักกว่า น, นี้นะ วจีกรรมออกเลยเงี้ยโอ้โหนี่ยมาบางทีสวนปุบเลยนะทันทีเลยหรือบางคนก็นะ่ะบอกว่าแสดงกิริยาอาการออกมา <c oughs> เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเจโตหรือว่าศรัทธาเนี่ยรู้สึกว่ามันมันต่ําลงหมายถึงว่าในสายเนี่ยนะมันอ่อนลงมันไม่เหมือนแต่ก่อนถ้าค่อนมาในทางสายเจโตเนี่ยศรัทธาแรง เพราะนั้นยอมบางทีโอ้โหด่าก็แล้วไล่ก็แล้วยังจะไม่ค่อยไปเลยโอ้โหเพราะมันศรัทธามันปักม่นมันเชื่อว่ายังไงก็ก็ดีอะยังไงก็หน้าเคารพวันโอ้โหบางทีโดนว่าเจ็บเจ็บปวดปว ด, ปวดนะโอ้โทนก็พยายามฝืนจิตฝืนใจเนี่ยแก้ไขปรับปรุงตัวเองไปจนกระทั่งดีขึ้น แต่เดนี้โอ้โหอ่อนลงมากเลยบางครั้งแค่พูดธรรมดาเท่านั้นเองบีแค่ติธรรมดาธรรมดาโอ้โหบางทีนี่ดินพราดพลาดปราดพลาดละเพร า, พร า, พราะฉะนั้นอันเนี้ยที่บอกว่าเออทาไมถึงค่อนข้างตําหนิส่วนใหญ่นะว่าตําหนิว่าคนวัดเนี่ยยังยังไม่ค่อยที่จะขวนขวายยังไม่ค่อย เนี่ยทำกิจวัตรกิจกรรมทาอะไรต่างๆได้ดีเหมือนแต่ก่อนจริงก็ยอมรับว่างานมันก็เยอะขึ้นแต่งานเยอะขึ้นก็จริงอะ่ะแต่มันก็แบ่งทีก็ต้องพยายามแบ่งเวลาพยายามทำให้มันลงตัวให้ได้คำว่าลงตัวเนี่ยก็ต้องพยายามทำให้ได้ทั้งทั้งในด้านของเจโตสมาถิทั้งในด้านของปัญญาด้วยวิปัสสนาไปด้วยก็ต้องพยายามทั้งสองอย่าง แต่ว่าบางทีเนี่ยมันมันเริ่มจะโตง่งไงทุกวันเนี่ยสมถะอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงแต่ปัญญานี่ฟูฟ่องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปัญญาเนี่ยมันอ่อนไหวง่ายมันแปลปวนง่ายสายปัญญาเนี่ยเหมือนกับสายลมสายปัญญาเนี่ยพิยูง่ายเพราะฉะนั้นนะถ้าใครเนี่ยไม่ค่อยฝึกสมถะเพิ่มขึ้นบ้าง เอาแต่ฟังเทพ ฟ, ฟังธรรมนะแล้วก็เอาคิดเก่งปรุงเก่งทํางานเก่งแบบวัยนะทำงานวัโอ้ปรุงปุงวงปุ ง, ป ง, ปงนะเดี๋ยวก็จะพัฒนาไอ้นี่เดี๋ยวจะพัฒนาไนอ้นูนโอ้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วจริงๆสถา น, นาการณ์มันก็ค่อนข้างมาบีบให้ใ ห, ใ, หให้ต้องปรุงต้องคิดไอ้นูนไอ้นีน่ด้วยนะแต่ที่นี้ที่บอกว่าเราหลวมตัวแล้วก็ไปตามกระแสมันเลยไง โอปุงงนั่นฟุ้งไงนี่อะไรต่ออะไรจนกระทั่งคราวนี้เลยเบรกไม่ค่อยอยู่นะเหยียบคันเร่งอยู่เรื่อยเลยเหยียบคันเะร่งอยู่เรื่อยเลยนะเบรกเลยชักไม่ค่อยเป็นบ้างหรือเบรกก็ไม่อยู่บ้างเพราะนัคราวนี้เนี่ยโหมันก็ไปชนไปกระแทกนะไปทําให้คนนู้นคนนี้เจ็บปวดหรือไปทําให้อะไรอะ่ะเกิด บาดหมางเกิดไม่ชอบใจเกิดอะไรกันเนีง่ายมากถึงบอกว่าจริงจเนี่ยแค่คำพูดเนี่ยพูดไม่ถูกหูกันหน่อยมันก็พร้อมที่ไม่ชอบใจแล้วถูกไหมแต่คนที่ฝึกมาแม้จะพูดไม่ถูกหูบ้างก็เอา้าถ้าเราฝึกมาเราก็พยายามปรับความคิดในทางที่ดีเราไม่ไปคิดในทางที่ลบใช่ไหมอา้ามันก็เออเอเอเอก็ทนกันได้ฟังกันไปได้ แล้วเดี๋ยวก็ทำความเข้าใจกันไปมันก็เออปรับแก้กันไปแต่อ้นี่ที่บอกว่าเจตอ่อนเพราะบางทีอะไรพอไม่ถูกใจไม่ชอบใจปั๊บไม่คุยกันละไม่พูดกันละต่างคนต่างทำเออไม่ต้องมาเจอกันอยู่กันคนละฝากฝังฝันนะอยู่กันอย่างนั้นอ่ะไออย่างเงี้ยเนี่ยเยเจตมันอ่อนนะแล้วก็ปัญญามันมันไหวง่ายอ่อนไหวง่าย พราะนัพออเจ อ, องนี้ครับว่าอ่อนไหวไม่หนักแน่นไม่มั่นคงแล้วมันก็ซัดสายง่ายสิถ้าให้ทํางานแบบวิ่งให้ทํางานแบบอะไรเอเ อ, เอทำเลยดีนะแต่พอให้นิ่งๆแล้วก็ไม่ปรุงไม่ฟุง้งนะกระทบกระทั่งกับอะไรแล้วก็สงบได้ตัวจิตตัวจใจได้แล้วก็อยู่ในที่ตั้งอันนิ่งอันสงบได้ นะไม่ไปฟุ้งซ่านม่ไปคิดในทางอากุศลอ่ะอย่างนี้มันถึงจะเรียกว่าเอออย่างนี้นิ่งได้จริงแต่นี่มันไม่ใช่เลยพออะไรนิดอะไรหน่อยบางทีโอ้ไปใหญ่เลยเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าจิตของใครที่เป็นอย่างเงี้ยมันมันอ่อนอ่อนสมถะนะซึ่งหลังๆเนี่ยพวกเราจะมีพวกนี้เยอะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยจะฝึกสมถะ คำว่าสมถะไม่จําเป็นว่าจะต้องมานั่งหลับตานะอันนั้นมันสมถะแบบลื้สีอ่ะซึ่งอันนั้นมันก็มันก็ฝึกได้ถ้าคุณจะฝึกแต่ที่อาจามาพูดนี่ก็คือสมถะแบบพุทธเลยสมถะในการงานเนี่ยแหละที่คุณทำท ำ, ทำอยู่เพราะฉะนั้นคุณทําเวลาคุณทํางานเนี่ยบอกแล้วมันหนีไม่พ้นเนี่ยก็ต้องคุยกับคนโน้นบ้างคนนี้บ้างถูกไหมคุณไม่ไปทํางานอะไรที่มันทําอยู่คนเดียวเมื่อไหร่ บางทีเอามันก็ทําแบบคนน้นคนนี้บางทีมีลูกค้ามั่งขายของมั่งใช่ไหมแล้วก็พวกเราก็ส่วนใหญ่มันก็ทําแล้วหลายๆคนอะ่ะส่วนใหญ่หายากเพราะแหนกไหนทําเหลืออยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคนอื่นนี้หมด <c oughs> นะไอ้นี่มันก็เออบางทีมันก็มีคนน้นมีคนนี้อะไรทําอยู่ด้วยอะหรือโอ้โหกิจกรรมนวนก็มีกิจกรรมไม่ดีก็มีใช่ไหมบางทีเอามาทําวัดมั่มากินอาหารที่ศาราบ้าง อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเจอคนอยู่แล้วต้องมีผัสสะแน่นอนเพราะั้นพอเราเจอคนเนี่ยเราสามารถฝึกสมถะได้อย่างเช่นหน้าดูหน้านี้สมถะแบบพุทธสมมติเราไปมองอะไรเข้าไปเห็นอะไรเข้าเนี่ยในขณะที่เราทำงานหรือว่าเราเดินไปไหนมาไหนไปเห็นสิ่งที่ไม่ถูกตาไม่ถูกใจเราอพอเห็นปั๊บถ้าเป็นสมถะทำไงพอเห็นตา เห็นของที่ไม่ถูกไม่ไม่ต้องตาเราเนี่ยเป็นยังไงถ้าเป็นสมถะสมถะทำไงถ้าสมถะแบบลือสีก็คือพอเห็นไม่ชอบใจหลับตา <c oughs> นี่แบบลือสีอ้าวมันมันไม่อยากเห็นอ่ะมันไม่ไม่ถูกใจเราอ่ะหรือเราเบือนหน้าหนีไปที่อื่นเลยไม่ไม่ไม่มองอ่ะไม่ดูอ่ะนี่สมถะแบบลือสีใช่ไหม แต่ก็ยังเขาก็ยังฝึกนะเพราะว่าก็มองแล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งโกรธจะยิ่งไม่ชอบใจใช่ไหม เ, เขาอย่างน้อยเขายัางฝึกนะเขากา็ไม่มองซะแต่ว่ามันเป็นสมถะแบบยังเป็นแบบฤาษีอยูอ่ยังไม่ใช่อย่างของพุทธถ้าของพุทธเนี่ยถ้าคุณหันนะแล้วคุณไม่มองนะแต่คุณเอามาคิดเอามาพิจารณาว่าเออแล้าทำไมถึงถึงไปโกรธทําไมถึงไม่ชอบใจอะไรเอออย่างนี้ถึงจะถือว่า เป็นสมถะแบบของพุทธแต่ถ้าเป็นรือสีนี่ไม่มองแล้วก็ไม่คุยไม่พูดไม่ต้องเห็นจบนั้นแทกแค่นั้นเป็นของลือีแต่ทีนี้ถ้าเป็นของพุทธคราวนี้ใช่มคุณไม่ต้องหลับตาก็ได้คุณไม่ต้องเบือนหนีไปที่อื่นก็ได้ถ้าคราวนี้เราจะใช้แบบวิปัสนาลใช้แบบวิปัสนาก็เห็นอยู่เนี่ยแหละก็รู้อยู่ว่าไม่ถูกใจอะ่ะแต่เราใช้ปัญญาไง ใช้ปัญญาพิจารณาเออทำไมต้องไม่ไปถูกใจด้วยละ่ะแล้วทําไมต้องถูกใจด้วยเหรอมองอะไรต่ออะไรเนี่ยจะมองแต่สิ่งถูกใจเท่านั้นเหรอสิ่งไม่ถูกใจเลยมองไม่ได้หรืไงลูกกตานี i มีไว้แต่มองสิ่งที่ถูกใจเท่านั้นใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ใช่สาจาัจจะใช่ไหมไม่ใช่ความจริงอะลูกกตานี i s เขามีไว้มองแต่มองแล้วมันก็ต้องเจอทั้งนั้นแหละถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง นี่คือสัจจะแต่ น, นี้เมื่อเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจอ่าก็เป็นโทสะเป็นเป็นสายโทสะใช่ไหมเมื่อไม่ถูกใจเอาเราปรับจิตยังไงอะจะแก้จิตยังไงอ่าไปเห็นขยะไม่แยกเลยทิง้งปนเปยโอ้โหล้นออกมานอกถังอะไรเงี้ยพอเห็นเข้าบางทีอ้าโอไม่ถูกใจเลยไม่สบอารมณ์เลย ทำไมายถึงทิ้งเรียลาดอย่างเนี้อใช่ไหมเห็นปั๊บเนี่ยคุณจับจับจิตตัวเองได้ละ ว, ว่าโอ้โหไม่ถูกใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นบอกแนละ้วถ้าเป็นสมถะเ้าข่มไปเลยช่างหัวมัน <c oughs> นะจะยังไงก็แล้วแต่ข่าไม่สนนะข้าไปของข้าแล้วอ่อย่างนี้แบบสมถะลือสีแต่ถ้าสมถะแบบของพุทธอา้าสมถะแบบของพุทธไม่ถูกใจใช่ไหมไม่ชอบใจนะใครมาทิ้งเรียลาด มันสมถะแบบของพุทธทำไงไเออใช่ไหมล่ะเราก็ฝืนใจเราบางับางคับใจเราเราข่มใจเราเนี่ยข่มแต่ข่มโดยก็เราไม่อยากเห็นภาพอย่างนี้ใช่ไหมเออเพราะนั้นก็ทำให้มันสะอาดสิใช่ไหมเออก็ไปเก็บมันเข้าถังให้ดีอะไรให้ดีนี่สมถะแบบของพุทธจะเป็นอย่างนี้ไม่หนีปัญหาแล้วก็ไม่กลัวปัญหาด้วยมันก็เอา้าก็ปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได ต้องไปรีบไปเข้าห้องน้ำห้องท่าหรือว่าไม่ต้องรีบไปที่ไหนใช่ไหมอา้าวเราก็สมถาแบบคขาพูดเลยขมใจเราว่าฝืนใจเราว่าก็เราไม่ชอบใจนะคนมาทิ้งอย่างนี้ก็ถูกต้องนะก็เราไม่ชอบใจเห็นแล้วมันเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นแต่พอเห็นขึ้นมาปั๊บอ้าสายเจโตงี่ขมจิตก่อนสิขมจิตเลยที่ ที่เราเนี่ยจะอึดอัดขัดเคืองที่เราจะไม่ชอบพอเราคมลงไปได้ปับ๊บใช่ไหมเอากระ น, นี่มันสกรปรกมันเลี่ยราดอยู่อวะก็เราว่ามันไม่ดีใช่ไหมลนะ่ะก็ไม่ดีม่นทําให้มันดีสินะมันก็จะไปทํามันจะบังคับเลยเราก็จะไปทําอืำบังคับเลยก็เราทําให้มันดีคือไม่ต้องไปฟุ้งอ่นะไม่ต้องไปฟุ้งว่าใครเป็นคนทิ้งใคร เดี๋ยจะต้องจับตัวให้ได้ใครบานคนทิ้งนะมันมันไม่ต้องไปฟุ้งอย่างนั้นเลยสมถานี่ไม่ไม่คิดมากนะสมถารู้ว่าอย่างงี้อ่ะไม่เข้าท่าเลยใครมาทำเอาไว้คมเลยบังคับเลยก็ทําให้มันดีสิก็ใครทําอ่ะเราทําซะเองเราก็ไม่ทํามันดีเองเลยก็จริงๆแต่ถ้าเป็นสายปัญญานะเผลอเผอนะยิ่งอ่อนเจโตนะสายปัญญาที่อ่อนเจโตมากๆ คิดอยู่นั่นน่ะใครมาทิ้งว่าเดี๋ยวเราต้องไปบอกสมณะให้ท่านช่วยประกาศแล้วก็ปล่อยมอยนันไ้อย่างนั้นให้มันสกปรกอยู่อย่านั้สายปัญญาที่อ่อนเจโตก็จะเป็นอย่างนั้นยกเว้นว่าสายปัญญาที่เออเริ่มมีเจโตเริ่มอะไรก็รู้ว่ามันไม่ดีอก็เห็นเห็นอย่างนี้แล้วก็อา้าวจัดทําความสะอาดซะเหมือนกันถ้าเป็นสายปัญญาที่มีเจโตมาด้วยจะทําเหมือนกันในขณะเดียวกันสายสมถะ ที่ที่เริ่มรู้จักวิปัสนาเข้ามาบ้างก็จะทําเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาอยากจะบอกว่าเนี่ยฝึกฝึกสมถะแบบของพุทธนี่ของพวกเราเนี่ยให้มากขึ้นถ้ามากขึ้นแล้วนี่มันมันจะทําให้เราเนี่ยอดทนแล้วก็เข้มแข็งแล้วจิตมันไม่ปรุงไม่ฟุ้งอะไรเนี่ยได้ดีขึ้นเนี่ยยกตัวอย่างแค่ตาเราไปเห็น แต่นนี้ในชีวิตจริงๆเนี่ยโอ้โหมันเข้ามาเกือบทุกสวรร์เนี่ยใช่ไหมไม่ใช่แค่ตาเห็นหูจะยินเสียงบางที อ, อัตมาเองเนี่ยบางทีเนี่ยนั่งทำงานอยู่ที่ที่ตรงสัมมาศิกขาโอ้คุณเอ้ยถ้าอัตมาไม่พยายามรู้ใจตัวเองแล้วก็พยายามปรับอารมณ์จิตตัวเองนะบอกตรงๆเลยคงมีหลายครั้งหลายรอบเลยที่จะไปเล่นงานพวกเด็กๆ พอบางทีโอ้โหมันเจี้ยวเจ้ามันเสียงดังมันวิ่งกันบั้งโคมคามอะไรบ้างนะโอ้บางทียิ่งไอ้ดีกีตาร้องเพลงไอ้ตรงชั้นล่างของสมารสิขาอ ย, ย่าบอกใครเลยคุณหวยหวนจริ ง, รงๆเลยควรคลางอยู่นั่นเนี่ยแม้เราก็ฟังแล้วนึกใ ย, ยใจ ม, มันคงนึกแบบเพราะนัก น, นะ <laughs> นึกใ ย, ยใใจนะโอ้แล้วไม่ใช่อะไรบางทีเราต้องใช้ความคิดด้วยไง คืต้องใช้การคิดในการเขียนหนังสือหรือต้องอ่านบทความเนี่ยบางทีเราต้องใช้ความคิดด้วยแล้วก็ก็ร้องกันเสียงดังเลยนะไม่ใช่เสียงเบาๆนะโอ้เจ้บาบัญทีเราก็แหมถ้าวันไหนเนี่ยไม่ไม่อะไรอ่ะเผลอไปอ่ะบางทีเราปล่อยจิตปัญญามันชักลำคานอย่างเหมือนกันนะถ้าเผล่นนะเ อ, อแต่ถ้าไม่เผลอเนี่ยเรามีสติอยู่แล้วก็รู้ว่าเออพอพอมันจะเริ่มเนี่ยพอมันเริ่มมีอาการที่เรารู้สึกเฮ้ยชักไม่ชอบใจนะ ชักไม่ยินดีเกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้อารมณ์จิตเราพอรู้เสร็จเราก็อ๋อไหนลองทำดิส่วนใหญ่นี้อาตมาบางทีไม่ได้ใช้ปัญญาอะไรมากนะทีอ่อาตมาใช้สมถะว่าเอาละไม่ต้องไปไหนเราก็นั่งทงาํางานตรงเนี้ยทุ่มทุ่มจิตของเราให้มันมีสมาธิกับกับงานที่เราทําเนี่ยให้มากขึ้นแล้วก็พยายามตัดทวานหูของเรามันก็ยังได้ยินเสียงอยู่นั่นแหละแต่เราพยายามออไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปสนใจด้วยกับเสียงที่ดังมา เราก็พยายามทำงานของเราถ้าเราทำเกิดทำไม่ค่อยรู้เรื่องเนี้ยไม่ต้องไปโทษเสียงหอยหัวนั้นนะโทษเราว่าเอะเรายังสมาธิไม่ดีพอคือเราไม่ไปโทษคนอื่นเราพยายามโทษตัวเองเอนี่เรายังฝึกไม่ดีพอนะมันถึงยังยังอะไรอะทำให้จิตเรามันแน่วแน่อยู่ว่าแน่วนิ่งขึ้นมาเนี่ยยังไม่ไม่ดีนี่โทษที่ตรงนี้ เราเราก็พยายามข่มจิตข่มใจเราพยายามทำให้ได้ทำให้ได้